เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่สิบสองเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2545ห้าสิห้าตรงกับวันขึ้นแปดค่ำเดือนสิบสองเป็นวันพระเป็นวันที่ศรัทธายาโยงทั้งหลายได้มา ทำบุญกันทำไมเราจรึงต้องมาทำบุญกันอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพราะว่าการทำบุญนั้นเป็นเหตุ <c oughs> ที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่เราปรารถนากันนั่นก็คือความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคลความปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะการทำบุญนี้ เป็นเหตุที่จะทำสิ่งต่างๆที่เราปรารถนากันให้ปรากฏขึ้นมาเราจึงต้องมาทำบุญกันอย่างต่อเนื่องทั้งที่ได้มากระทำกันในวันนี้บุญที่เราทำนั้นก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันบุญก็เปรียบเหมือนกับอาหารอาหารก็มีอยู่หลายชนิดถ้าเรารับประทานอาหารอย่างเดียว<ม>เช่นรับรับประทานข้าวอย่างเดียว ร่างกายก็จะไม่ได้รับสารอาหารพอเพียงที่จะรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงฉันใดใจจิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้นจิตใจของเราก็ต้องการบุญซึ่งเป็นเหมือนกับอาหารไว้คอยดูแล ร, รักษาให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสบายมีความ พอมีความอิ่มซึ่งจะเกิดได้จากการทำบุญบุญนั้นจึงมีหลายชนิดด้วยกันบุญที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในบุญยะกิริยาวักิริยาวัตถุก็มีอยู่สิบประการด้วยกันคือบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลรักษากายวาจาให้เป็นปกติ ไม่ไม่เบียเดเบียนซึ่งกันและกันเรียกว่าศีลบุญที่เกิดจากการพัฒนาจิตใจให้เป็นจิตใจที่สะอาดหมดจดปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงเรียกว่าภาวนาบุญที่ให้บุญที่เกิดจากบุญที่เกิดจากอุทสิส่วนบุญส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้กระทำไป บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาในการกระทาบุญของผู้อื่นบุญที่เกิดจากการทำตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะกับผู้อื่นสั่งสอนธรรมะให้กับผู้อื่นบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมและบุญที่เกิดจาก การทำความเห็นให้ถูกต้องนี่คือบุญสิบประการด้วยกันในบรรดาบุญทัลายนีมีความจาเป็นที่เราจะต้องทำให้ครบทั้งสิบประการขึ้นอยู่กับการละเทศะกับการละเวลากับเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นอย่างวันนี้ญาติโยมได้มาทำทานคือได้ทำบุญตักบาตรพอดีเป็นวันพระ ก็มีการให้ศีลก็มีการสมาทานศีลกันเวลายามค่ำหรือเวลาที่เรากลับไปสู่ที่พักของเราเราไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นเราก็บำเพ็ญภาวนานั่งสมาธิเจริญปัญญาเวลาที่พระสงฆ์อนุโมทนาญาโยมก็กรวดน้ำอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว เวลามีผู้อื่นทำบุญเราก็ร่วมอาตุโมตนาบุญไปกับเขาเวลาที่พระสงฆ์ฟังเทศฟังธรรมเราก็ฟังเทศฟังธรรมไปด้วยเวลาที่มีผู้อื่นเขามีความเดือดร้อนมีความทุกข์ใจเรามีธรรมะที่เราพอจะแบ่งปันให้กับเขาได้เราก็แบ่งปันให้เขาไป สั่งสอนให้แสงสว่างกับเขาเพื่อเขาจะได้หายกุ้มของกุ้มใจหายทุกข์นี่คือลักษณะของการทำบุญทั้ง1ิประการซึ่ง <c oughs> เป็นสิ่งที่เรากระทำกันตามสุดแท้แต่กาลเทศะแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะให้เรากระทำในบุญนั้นๆเราก็ทำกันไป อ น, นิสงค์ของบุญแต่ละอย่างนั้นก็ไม่ไม่เหมือนกันอย่างการให้ทานนี้อ น, นิสง์ของการให้ทานก็จะทำให้เรามีความมั่งคั่งสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพสมบัติเงินทองเข้าของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนในภพไหนชาติไหนเราก็จะมีพร้อมในเรื่องของ เครื่องใช้สวยต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคแต่การให้ทานนี้ไม่สามารถกำหนดภพชาติของเราได้ว่าจะไปสูงหรือไปต่ำเราทำบุญให้ทานมากๆแต่เราไม่รักษาศีลเราก็มีสิทธิที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปอบายได้เพราะเหตุที่จะทำให้เราไปเกิดสู่สุคติคือไม่ไปเกิดในอบาย จะต้องเกิดจากการรักษาศีลดังในอนิสงค์ของศีลที่ได้แสดงไว้ในเมื่อกี้นีว้ว่าสีเลนะสุขติยันติศีลเป็นเหตุที่จะนำพาไปสู่สุขติสุขติก็คือพอบพูิของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระอริยบุคคลทั้งหลายดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะทำบุญอย่างมากทาบุญให้ทานอย่างมากมายกายกอง บ่อยจากซับเป็นเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านแต่เราก็ยังไปทำผิดศีลไปช่อกงไปทำคอร์รัปชันไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเราตายไปเราก็ยังต้องไปเกิดในอบายเพียงแต่ว่าบุญที <Yaz couples> ่เราทำให้ไว้จากการให้ทานนี้ก็จะทำให้เราไปเกิดในอบายที่มีความสมบูรณ์เช่นถ้าไปเกิดเป็นสุนัข ก็เป็นสุนัขที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีราคาแพงๆมีคนที่ปรารถนาที่จะเอาสุนัขแบบนั้นไปเลี้ยงดูไปสร้างบ้านสร้างหอให้อยู่มีเครื่องประบากาศให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายหรือว่าถ้าเกิด <c oughs> นี่ก็คืออนิสง์ของผู้ที่ได้ทำบุญให้ทานไว้ในอดีตคือจะพร้อมด้วย เรื่องโพกกระซับทั้งหลายและจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่ถ้าเราไม่ทําบุญให้ทานเลยมีแต่รักษาศีลอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เวลาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีแต่ความยากจนถึงแม้ได้เป็นมนุษย์แต่ไม่มีความร่ํารวยเพราะเราไม่เคยทําบุญให้ทานมาอย่างนี้เป็นต้น นี่คือเรื่องราวของอนิสงค์ของการทำบุญชนิดต่างๆดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องทำบุญทั้งหลายนั้นให้ครบให้มากเท่าที่เราจะทำได้สุดแท้แต่เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมการละเทศหรือความสมัครใจของเราที่เราจะทำเราควรที่จะทำให้มากๆ พ่อบุญเท่านั้นแหละที่เป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งความสุขและความเจริญแม้กระทั่งการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องเกิดจากการทําบุญทั้งสิบประการนี้ในบุญสิบประการนี้ถ้าถามว่าบุญอันไหนเป็นบุญที่สําคัญในเบื้องต้นก็ต้องขอบอกว่าก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเพราะ ถ้าเราไม่เคยฟังเทศฟังธรรมมาก่อนเราจะไม่รู้จักเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเรียนว่ายตายเกิดเรื่องมรรคผลนิพพานเราก็จะเป็นคนเหมือนกับคนหูหนวกตาบอดการกระทาของเราย่อมเป็นไปตามอารมณ์ที่มีอยู่ในใจของเราถ้าในใจของเรามีอารมณ์ดีเราก็ทำความดี ถ้าในใจของเรามีอารมณ์ร้ายเราก็จะทำความชั่วสุดแท้แต่อารมณ์จะพาไปเพราะเราไม่รู้จักว่าการกระทาของเรานั้นมีผลทำให้เกิดความสุขก็ได้เกิดความทุกข์ก็ได้เกิดความเจริญก็ได้เกิดความเสื่อมก็ได้ดังนั้นถ้าเรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรม ก็คือยังไม่เคยเข้ามาเจอ <c oughs> ยังไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาไม่ได้ยินคำสอนของผู้ประเสริฐผู้รู้จริงเห็นจริงอย่างก็พระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าของเราเราก็จะยังอยู่ตกอยู่ในห่วงของความมืดบอดเราก็จะทำกรรมไปสลับกันไปสุดแท้แต่อารมณ์จะพาไปบางวันก็อารมณ์ดีก็ ทำดีพูดดีวัาไหนอารมณ์ไม่ดีก็ทําร้ายคิดร้ายอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อเราได้เริ่มเราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าความดีความสุขความเจริญหรือความความทุกข์หรือความเ ส, มสื่อมเสียนั้นเกิดจากการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราก็จะมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาคือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี่ก็เป็นหนึ่งในบุญบุญสิบประการนี้คือความมีความเห็นได้ถูกต้องการที่เราจะมีความเห็นได้ถูกต้องได้เราต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมหมั่นศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจากการได้ยินได้ฟังจากพระสงค์องค์เจ้า หรือถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าจะมาเทศนาสั่งสอนเราก็อ่านหนังสือธรรมะเช่นหนังสือพระไตรปิฎกหรือหนังสือของพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายถ้าเราอ่านแศึกษาอยู่เรื่อยๆรเราก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเริ่มเห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วเราจะไม่ปฏิเราจะไม่ปฏิเสธ สิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน <c oughs> เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะเริ่มทําบุญกันเพราะเรารู้ว่าการทําบุญเท่านั้นแหละที่จะเป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งความสุขความเจริญความปราศจากทุกภัยทั้งหลายให้กับเราไม่มีอะไรในโลกนี้แม้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็ไม่สามารถที่จะ ทำให้เราสุขให้เราเจริญให้เราไม่มีทุกข์ได้ท่านเพียงแต่เป็นผู้ชี้ทางให้แสงสว่างบอกสอนเราให้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษให้รู้จักนรกจกสวรรค์แล้วให้นาให้เรานาเอาไปปฏิบัติเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะเริ่มทำบุญทำทานอย่างวันนี้ท่านก็มาทำบุญทำทานกันรักษาศีลกัน ฟังเทศฟังธรรมบังเพนจิตตภาวนาบูชาสิ่งที่มีพระคุณอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการทำตนเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ทำเป็นคนที่มีความทิฐิหืินผยองในตัวของตัวเองอย่างนี้เป็นการทาบุญแล้วถ้าเราทำอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ ปฏิบัติไปไเรื่อยๆผลของการกระทำก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาทำให้เราเริ่มสัมผัสกับผลนั้นๆคือจิตใจของเราจะเริ่มมีความสงบมีความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อเราเริ่มเห็นมีผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจากการทำบุญแล้วเราก็จะเริ่มมีกําลังใจที่จะประกอบคุณงามความดี ทำบุญทำกุศลให้มีมากเพิ่มยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่ค่อยกังวลกับการกระทำของผู้อื่นถึงแม้ผู้อื่นเขาจะทำบาปทากรรมอย่างไรเราก็จะไม่มีความท้อแท้เราก็ยังจะต้องเรายังตั้งมั่นอยู่ในการกระทำความดีถึงแม้ว่าเราจะไม่ร่ำรวยเราจะไม่มีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่ง เราจะไม่มีคนเข้ามาสรรเสริญเยินยอเราจะไม่มีกามมสุขคือเราจะไม่ได้มีเครื่องอำนวยความสุขวกทางด้านตาหูจมูกนิ้นกายเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนใจเพราะว่าใจของเรานั้นมีความอิ่มมีความสุขมีความพออยู่ในตัวของใจแล้วนี่แหละคืออ น, นิสง ที่แท้จริงผลที่แท้จริงจะเกิดที่เกิดจากการทําบุญทั้งสิประการนี้คือเป็นการสร้างความสุขให้กับใจใจจะสุขได้ก็ต่อเมือ่อใจชําระความโลภความโกรธความหลงเป็นอันเป็นอันเป็นเหตุที่สร้างความเศร้าหมองให้กับใจเราตราบใดที่เรายังมีกิเลสตัณหาอยู่ในใจ ต่อให้เราเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเป็นพนาณาธิปดีเป็นพระมหากษศัตริ์เป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นแสนล้านล้านล้านกระตา่างใจของเราก็ยังจะมีความว้าวุ่นกุ่นโมวใจของเรายังจะต้องมีความกังวลมีความวิตกมีความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเราไม่ได้ไป กำจัดต้นเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาเราจะต้องอาศัยการทำบุญนี้เป็นเครื่องกำจัดชำระกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหองที่อยู่ภายในใจของเราให้หมดไปนั่นเองนั่นแหละจึงเป็นเหตุว่าที่เราต้องมาทำบุญกันอย่างต่อเนื่องทุกๆวันพระหรือมากกว่านั้นได้ยิ่งดี ถ้าเราไม่ได้มาที่วัดสถานที่เราอยู่นั้นเราก็สามารถทําบุญได้ทําทานได้เพราะเราควรจะทําบุญทําทานกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีพระคุณกับเราเช่นบิานดามารดาปู่ย่าตายายบุคคลเหล่านี้ถ้าไม่มีท่านเหล่านี้เราจะไม่มีตัวเราปรากฏขึ้นมาได้ เราต้องมีปู่ย่าตายายมีพ่อมีแม่ผู้ที่ให้กำเนิดกับเราท่านจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณอันใหญ่หลวงกับชีวิตของเราเราจรึงไม่ควรมองข้ามท่านไปพระพุทธองค์ทรงเปรียบปิดามารดาว่าเป็นเหมือนกับพระอาราหันเป็นพระพรมของลูกล ก, การที่ได้เลี้ยงดูบิดามารดา ทดแทนบุญคุณของบิดามารดาด้วยวิธีการต่างๆทำให้ท่านอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขกายสุขใจถือว่าเป็นการทำบุญกับพระอาหารหันต์ทำบุญกับพระภรมมีอนิสงส์มากมีบุญมากต่อจากนั้นแล้วก็ยังมีบุคคลอื่นที่เรามีความเกี่ยวข้องด้วย mm hmm. เช่นสามีภรรยาบุตรทีดา ญาติสนิทมิสหายบุคคลเหล่านี้ถ้าเราช่วยเหลือเขาด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดก็ถือว่าเป็นการทําบุญให้ทานเหมือนกันไม่จําเป็นที่จะต้องรอมาที่วัดแล้วค่อยทําบุญทําทานเหมือนกับเวลาที่เราหิวเรารับเราอยากจะรับประทานอาหารเราเดินไปที่ไหนเจอร้านอาหารที่ไหนก่อนเราก็แวะรับประทานเสียก่อนเราไม่คอย ปัดไปบอกว่าไว้รอไปกินที่ร้านนั้นถ้ารอรอไปกินที่ร้านนั้นดีไม่ดีเมื่อไปถึงที่ร้านนั้นอาหารที่เขาขายอาจจะหมดไปเสียก่อนก็เป็นได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่ได้รับประทานอาหารเราก็จะมีแต่ความหิวโหยเวลาที่เราจะช่วยเหลือใครทําบุญกับใครเราก็อย่าไปเลือกมากอย่าไปคิดมากบางทีเราคิดมาก คิดว่าเขาพอแล้วเขามีพอแล้วเขามีมากกว่าเราแล้วเขาไม่เดือดร้อนแล้วหรือว่าเขาไม่ดีพอสําหรับที่เราจะทําบุญกับเขาถ้าเราคิดอย่างนี้ก็เหมือนกับเราปฏิเสธการรับประทานอาหารตามร้านต่างๆเปร้านนี้ก็บอกว่าไม่อร่อยไปร้านนั้นก็บอกว่าไม่สะอาดไปร้านนู้นก็บอกว่ามันแพงไปถ้าเราคอยปฏิเสธไปเรื่อย เราจะไม่มีร้านอาหารกินเราจะไม่มีอาหารกินกันแต่ถ้าเราบอกว่าเออถึงเวลาเรามีอะไรปรากฏขึ้นมาต่อหน้าเราเดินไปเจอขอทานก็ให้เงินเขาไปอย่าไปคิดว่าเขามาเสแสร้งมาหลอกเราเอาเงินของเราถ้าเขาเสแสร้งเขาหลอกเราเนก็เป็นเรื่องของเขาก็เป็นบาปเป็นกรรมของเขาแต่ถ้าเราให้ด้วยเจตนาที่สะอาดที่บริสุทธิ์ คือมีความเมตตามีความสงสารที่จะช่วยเหลือจะสงเคราะห์เขาให้เขาไปเราก็มีความภาคีเอื้อใจมีความสุขใจนี่แหละคือการทำบุญทำทานขอให้เราอย่าไปเลือกวันเลือกเวลาเลือกบุคคลเลือกสถานที่มากจนเกินไปถ้าเลือกได้ก็ดีเพราะการเลือกบุคคลเลือกสถานที่มันก็มีส่วนทำให้บุญของเรานั้นเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไป เหมือนกับเลือกรับประทานอาหารตามร้านต่างๆบางทีเราเลือกได้เราก็เลือกเพราะเมื่อเราเลือกได้แล้วอาหารที่เราประทานก็จะเป็นอาหารที่มีคุณภาพแล้วทาให้เรามีความอิ่มกายอิ่มใจไป mm hmm. เช่นเวลาเราเลือกจะทําบุญส่วนใหญ่แล้วก็อยากจะเลือกทําบุญกับพระที่ดีพระที่เป็นพระอริยบุคคล mm hmm. เช่นถ้าเราได้เจอพระพุทธเจ้าได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้า ก็จะมีอา น, นิสงส์มากเป็นบุญมากเพราะ น, านอกจากการที่ได้ทําบุญกับพระเจ้าแล้วเรายังได้ยินได้ฟังธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ดีดพระพุทธเจ้าอาจจะทําให้เราบรรลุธรรมขึ้นมากลายเป็นพระอาริยบุคคลขึ้นมาเลยก็ได้อย่างนี้นี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมเราจึงควรจะเลือกทํากับคนดีคนฉลาดคนเก่ง เพราะคนดีคนฉลาดคนเก่งเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสารทั้งหลายนั้นท่านจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างรวดเร็วต่างกับเวลาที่เราไปทำกับพระที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เคยศึกษาธรรมะมีแต่ความมืดบอดท่านก็จะสอนเราไปในทางที่ผิดแทนที่จะสอนให้เราปฏิบัติทำชำระจิตของเรา ท่านกลับไปสอนให้เราหลงกอ ง, งายไปทําพิธีกรรมสะดาะข้ออะไรต่างๆไม่รู้ไม่รู้เรื่องผู้เราทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะการสะดากข้อกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ข้อกรรมคือกรรมที่เรากะทําไว้นั้นเป็นสิ่งที่สําเร็จแล้วเมื่อทําแล้ววิบากกรรมจะย่อมต้องตามมาไม่ช้าก็เร็วเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เวลาที่เรามีข้อกรรมนั้นพระท่านสอนคือพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าให้ใช้ขันติให้ใช้ความอดทนให้ใช้อุเบกขาให้ใช้ปัญญาคือเราต้องเป็นผู้ที่ฉลาดต้องยอมรับความจริงว่าเรานั้นในอดีตได้เคยทําบาปทากรรมมามากมายก่ายกองและเมื่อถึงเวลาที่ ผลของบาปกรรมนั้นจะแสดงผลขึ้นมาเราก็ไม่มีทางที่จะไปปัดไปเป่าให้มันหายไปได้แต่ถ้าใจของเรามีความแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไม่หวั่นไหวเราก็จะสามารถผ่านข้อกรรมเหล่านั้นไปได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าใจของเรานั้นไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถมาทำลายได้ มีแต่กิเลสตัณหาโมหะวิชาความมืดบอดความไม่รู้เรื่องความการขาดธรรมะแสงสว่างนั้นต่างหากที่ทำให้ใจเกิดความว้าวุ่นขุนมัวเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่จะต้องประสบเคราะห์กรรมต่างๆแต่สำหรับคนที่มีแสงสว่างแห่งธรรมอยู่ภายในใจแล้วมีปัญญาแล้วจะรู้สึกเฉยๆกับเรื่องเหล่านี้ อะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างมากก็มันก็แค่ตายคนเรามันหนีตายไม่พ้นหรอกไม่ว่าจะทำบุญทำบาปมามากน้อยแค่ไหนมันก็หนีตายไม่พ้นด้วยกันทั้งนั้นแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านก็ต้องตายกันทั้งนั้นแต่ท่านตายด้วยจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงสงบนิ่งไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่ตายเป็นจิตที่ตายด้วยความสุข ไม่ได้ตายด้วยความทุกข์อยู่ก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ซึ่งต่างกับใจพวกเราเพราะใจของพวกเรานั้นยังมีกิเลสตัณหาอยู่นั่นเองเรายังไม่ได้ชำระกิเลสตัณหาไม่ขัดเกล้า <c oughs> ไม่ทําบุญทั้งสิบประการนี้อย่างสม่ําเสมอเราก็เลยขาดที่พึ่งขาดสิ่งที่จะมาช่วยรักษาใจของเราไม่ให้หวั่นไหว ไม่ให้วิตกไม่ให้กลัวความตายการตายของพระทเจ้ากับการตายของพวกเรานั้นไม่แตกต่างกันเลยร่างกายเมื่อมันไม่หายใจมันก็ตายก่อนจะตายมันก็ต้องมีทุกขเวทนามีความเจ็บปวดรวดร้าวตามร่างกายตามส่วนต่างๆสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนกันร่างกายของเรา ข, ของของเรากับของพระพุทเจ้าก็เป็นเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกัน แต่ใจของพระเจ้ากับป่าอรหันนี้ต่างกับใจของเราเพราะใจของท่านไม่ได้ยึดติดอยู่กับร่างกายนี้ท่านเห็นร่างกายนี้เป็นเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเวลาเราเห็นคนอื่นเขานอนจะตายเราก็รู้สึกเฉยเฉ ย, ฉยเราไม่ได้ไปเจ็บปวดรวดร้าวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายของผู้อื่นฉั้นใจจิตของผู้ที่มีแสงสวา่างแห่งธรรมผู้ได้ที่ได้กําจัด ขาดเกลากิเลตตัณหาอันเป็นเครื่องเศร้าหมองให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นใจจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายกับการเป็นไปของร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายจะเป็นอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนแล้วนับภาษาอะไรกับสิ่งภายนอกเช่นราบยศเสริญถ้านยิ่งไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเลย มีลาบมาจะสูญลาบก็ไม่เดือดร้อนมียศมาจะสู ญ, ญยศไปก็ไม่เดือดร้อนมีการสรรเสริญแล้วมีการนินทาตามมาก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจของท่านนั้นปล่อยวางหมดแล้วในเรื่องเหล่านี้การที่ใจจะปล่อยวางได้ก็ต้องอาศาัยการทาบุญทั้งสิประการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญที่สำคัญที่สุดในเบื้องต้นก็คือการฟังเทศฟังธรรม เมื่อเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะรู้ว่าเราจะต้องมาชำระใจของเราชำระกิเลสตัณหาที่มีใน ใ, นใจให้หมดสิ้นไปและสิ่งที่จะชำระขัดเก่าได้ก็คือการทวนาการนั่งสมาธิจเจริญปัญญาโดยอาศัยบุญส่วนเอ่นเป็นเครื่องสนับสนุนเช่นทานศีลเป็นต้นเพราะทานศีลนี้เปลี่ยนเหมือนกับการต้อนกิเลส ให้เข้ามาอยู่ในข้อเวลาที่เราจะจับกิเลสซึ่งเปรียบเหมือนกับกับสัตว์เช่นวัวควายเวลาเราจะจับวัวควายนี้มามาค่านี่เราต้องต้อนมันเข้ามาในข้อก่อนถ้ามันอยู่นอกข้อเวลาจะจับมันมันลำบากเพราะที่มันกว้างมันมันวิ่งหนีได้เราจึงต้องต้อนเอาวัวควายคือกิเลสตัณหานี้เข้ามาในข้อก่อน ต้อนเข้ามาในใจด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลและบุญอย่างบุญอื่นๆล้วนเป็นบุญที่จะเป็นการต้อนเอากิเลสตัณหาให้เข้ามาสู่ในใจเมื่อเข้ามาสู่ในใจแล้วเราก็ทำใจให้สงบเมื่อใจสงบกิเลสตัณหาก็จะล่องสงบตัวเหมือนกับเวลาเราจะวัวควายเข้ามาในคอกแล้วเราก็จับมันมัดไว้ ผูกมัดไว้มัดขามัดทาไว้แล้วก็มันก็จะนิ่นไม่ได้มันก็จะต้องนั่นิ่งอยู่เฉยๆกิเลสตัณหาก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเราทำสมาธิแล้วกิเลสตัณหาก็จะต้องสงบตัวลงมาแสดงอาการโลภโกรธหลงนี้ไม่ได้แต่การอยู่ในสมาธินี้ยังไม่สามารถที่จะฆ่ากิเลสให้ตายหมดสากไปได้ หมดสิ้นสร้างไปได้เพราะสมาธินั้นเพียงแต่ผูกมัดตัวกิเลสไม่ให้ออกไปสร้างความวุ่นวายแต่เวลาที่เราอยู่ในสมาธินั้นเราไม่สามารถที่จะอยู่ไปได้ตลอดเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วกิเลสก็จะเริ่มทํางนานต่อไปเพียงแต่ว่ามันจะไม่รุ่นวายและมันจะไม่อยู่ไกลมันจะอยู่แต่ในค้อ เราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปทำลายปัญญานี้ก็เปรียบเหมือนกับมีดหรือธนูที่เราไว้ใช้ยิงหัวควายแล้วก็เอามีดไปตัดคอมันมันถึงจะตายปัญญาก็เป็นในลักษณะนั้นปัญญาก็จะเข้าไปทำลายต้นเหตุของติเลสตัณหานั่นก็คือโมหะอวิชชาความมืดบอดความหลงผิด ความไม่เข้าใจในสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรียกว่าสภาวธรรมทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเมื่อเราจเจริญปัญญาเราจะเจริญด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างสภาวธรรมทั้งหลายล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยึดไปเก็ง พอไปยึดไปติดแล้วจะต้องเศร้าโศกเสียใจจะต้องทุกข์ถ้าปล่อยวางแล้วก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เช่นร่างกายของเราก็เป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนก่อนมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อตายร่างกายก็สลายกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวตนเลยมีแต่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแหละนี่แหละคือลักษณะของใจรักษของสภาวะธรรมทั้งหลาย เมื่อเราพิจารณาอย่างต่อเ น, นื่องแล้วต่อไปเราก็จะไม่โลภ <c oughs> ไม่อยากกับอะไรเพราะรู้ว่าไปโลภไปอยากกับอะไรก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองถ้าไม่โลภไม่อยากแล้วจิตใจก็จะมีแต่ความปกติคือจะเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่สบายเป็นจิตที่ไม่ได้โลนกาดแกงเป็นจิตที่มีความอิ่มมีความพอมีความสุขอยู่ในตัวของจิต นั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของการทำบุญก็คือให้ถึงจุดนั้นให้ได้จุดที่มีความอิ่มตัวในตัวของมันเองคือจิตมีความอิ่มจิตมีความพอจิตหลุดพ้นจากความอยากความยึด